ฟังธรรมเทศนาต่อไปเทศเครื่องขี่ขโมยวันนี้เทศเครื่องขี่ขโมยคนเรามันมักที่ขโมยบ่อยๆอะไรก็ตามเถอะของลักของที่ขโมยเขา คานอร่อยนักมันชอบแล้วเตืนคนเราขอดีๆให้ดีๆไม่อย่าด้มัน ท, ท้าขี้ขโมยขอแล้วนั่นคลองนิดหน่อยก็ อ, อริสอร่อยคองไม่ดีไม่ดีก็การต้องดีขึ้นมัน <c oughs> เป็นนิดใสอย่างนี้คนเราแต่ไหนจะได้มา <c oughs> ที่อยู่ทั่วไปทั้งบ้านของเราอยู่ทั่วไปเป็นงย่างนี้ครั้ น, นี้มาทําความเพียรภาวนาเพื่อจะสําสรวมใจมันงเจ้าชีกขโมยเรื่อยออกไปนุ่นออกไป น, นิพหานรักให้ตกน้าขี้ขโมยใค้ต่อใครอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างก็อยเฉพาะนิสัยของเรา นิสัยเคยติดถิตด่ติดฐานติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากอยู่กับตัว <c oughs> ตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไหรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเสียบมันกับตำรวจพ่ออยู่เย็นอยู่ยานยเรื่อย แต่คิดขโมยมันค่อยขโมยเรื่อยไปขอ <c oughs> ามันเป็นเรื่องเป็นราวขอมเป็นกิดการงานอนะไรต่างๆค่อยขโมยเรื่อยไปขอ ม, น, มอรรอนิดเดียวเด้อไม่มีอะไรเด้อจิตคิดนิดเดียวเทนะ่านั้นเนี่ย เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตฐานไม่กลายเป็นพบเป็นชาติขึ้นอันที่ท่านพูดถึงเรื่องพระวาพระเวกพบน้อยพบใหญ่ตายตา ย, ายแล้วเกิดขึ้ได้แก่จิตตัวนี้เองได้กี่ขโมยตัวเดียวนี่แหละมันสหายจิตนนทนยึดนี่ ทหาที่ขโมยไปยึดจริงต่างๆตายจากนี้ไปเกิดภพนนท์คือตาจากยึดอันนี้เราไปยึดอันนนท์ตาอยากยึดอันนนท์ก็ไปยึดอันนนท์ต่อๆไปเลยไม่มีที่อยู่ที่ยังมันไม่เรียกว่าพบน้อยภพใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เอง เมื่อยังไม่ตายตาบใดมันก็ ย, ยังยึดร่างกายถือว่าตนว่าตัวอยู่เราอยู่ำไปอันนี้เรียกว่าพบใหญ่ถ้าเมื่อตายจากอัตภาพอันนี้เสียมอะไรมันยิงจะไปุดีไปปฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใด ในพบน้อยไอ้พบน้อยที่จะไปยึดนั่นมันไม่มั่นคงกาไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นหละมนไปพบใหญ่ไปเกิด ค, <c oughs> ความชี่ขโมยการพูดทั้งเรื่องศีลก็ข้อที่สอง อาชินานานั่นเองที่ขโมยของเขาตัวของเราก็ที่ขโมยก็ตัวอาชินานานั่นแหละความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเขาจะหาที่ขโมยเขาเรื่อยไป <c oughs> <c oughs> ทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจะคนจากที่ขโมยต้องตั้งพร้อมรักษาให้มั่นคงตรงตั้งสติกำหนดจิตให้แนวแน่ในที่นี่แหละต้องมีเครื่องอยู่มีอารมณ์ในเครื่องอยู่อารมณ์ของเรามีหลายอย่าง ยึดต่พุโทโธหรืออนาภาสติตั้งสติยึดยิตตรงนั้นที่อยู่นึกพุโทโธหรืออนาภาสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์หนึ่งความพอใจความรักใคร่ความเรื่อมใสความยินดีกับอนาภาสติ รือพุทโทนั้นจึงจะยึดมั่นถือมั่นในจริงนะความไม่พอใจความไม่เลือรรมสักแค่ว่าทำทาไปชักเท่าไหร่มันก็ไม่เต็นไปถ้าความเริ่มใสศรัทธาพอใจรักใคร ย, ยินดี่าแล้ว จิตตั้งมั่นในสิ่งเดียวแน่วแน่ตรงนั้นเลยก็ดูแต่ภายนอกประกอบภารกิจภายนอกเอเาเถอะถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วอาชีพของตัวในสิ่งใดที่พอใจและไขตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้นยอบสำเร็จประโยชน์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 อุบายนั่นจริงไห่มันขบถ้าหากว่าปัดมั่นตรงแน่วแน่ตองอย่างเดียวแล้วอันนี้แหละเป็นของดีจิตนันก็นลงเท่านึนสิมันจะเที่ยวว่อนไปไหนสร้างพุทธการ เพื่อสาวกทั้งหลายที่ได้เสลี่ยขงผลนิพพานตั้งหน้าตั้งตา ม, มาแจกลไล่แสงไก้ทางจำคิดสองโยต์ตั้งหน้ามาฟังเทศฟังธรรมคำสองพรทเจ้าพอมาฟังแล้วก็ปัดใจสิ่งเดียวที่พระองค์จะเทศนาคิดไม่หวั่นไหว คิดไม่ตสงสารคนที่อื่นมันความที่ตั้งใจมาแล้วเป็นสมาธิมาแล้วแต่ไม่จับที่จับหลักไม่ได้ออฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังเท่านั้นะจับหลักให้มั่นคงแน่ๆลงถึงที่สุดเลยท่านเป็นอย่างนั้น พวกเราเคยอยู่เคยฟังเทศเคยปฏิบัติมานานแล้วจับอะไรขึ้นมาดูเคยอย่างนั้นแหละจับอะไรมาพิจารณา่อย่างนั้นแหละไม่เป็นจริงไปจังสักอย่างมันจึงไม่เป็น จึงไม่เป็นภาวนาสมาธิถ้าจับมั่นคงลงไปแล้วถ้าร่องอื่นมันก็หายหมดเท่านั้นสิใจมันใจอันเดียวนี่จับมั่นลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องมันที่ว่ามากใจมากอย่างพูดเดียวนี่แหละมันเร็วเส้นเร็ว มนันวิ่งว่อนยึดน น, น่น่วยนี่ดูเหมือนกันว่าใจมีมากน้องคิดดูวันที่เราจิตมังมากจิตวามาก น, นะเนีเราได้ความทุกข์สักอย่างหนึ่ง เช่นว่าเราอยู่ดีๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามลานวัดตระวา น, นี่ยแหละตีนไปนตามเอหัวต่อสักอย่างหยุดวัดความคิดหนึ่งไม่อยู่ในนว ด, ดคิดเลยไม่อยู่คนเดียวนะไม่อยู่ที่ปวดที่เก็บนั่ น, น, นไม่ไปอื่น จิตนั้นมันมันอยู่ตรงมามันก็มาอยู่นั่นน่ะเอมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันอยู่แล้วน่ะมันที่มันวิ่งว่อนไปมากๆอ่ะมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในที่เดียวครับส้นต้เตะร้ายอย่างหลายเรื่องพอหัวไม่เท่าตามต่อสักปุ๊บเดียวสนิทเนี่ย หยุดเลยไม่ไปเมาหยุดเฉพาะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเลื่อมใสพอใจยินดีสักอย่างหนึ่งสักสักธรรมะสักอันหนึง่งจิตมันก็จะมาจดจ้องเฉพาะนี้นเองนะั้น อำนาจไม่ใช่ของมากมายอันเดียวทำอันเดียวลงถึงทำอันเดียวตอนนั้นอ่ะเป็นถึงวดคือจิตที่รวมลงไปอันเดียวหนึ่ง <c oughs> ที่เราฝึกหัดอบรมเราต้องการอบรมให้จิตเป็นอันเดียวอันหนึ่ง ถ้าหากพิจนารณาลงไปพุทโธหรืออนนาปารสติความพอใจเรื่องแส่แนวเนี้นเดียวแล้วกันไม่มุนไม่ต้องหรอกที่ทันว่าไว้ทำทั้งหลายมากมายก็ตามถึงครบเรื่อเดียวเนีย้ยต้องการเดียว <c oughs> อันอยู่เดียวหนึ่งแนวนิ่งแนวเสียก่อนมันยังจะรู้ของมากอันหนึ่งจิตอันหนึ่งคือจิตเป็น เ, เป็นสมาธิภาวนาจิตอันหนึ่งคือจิตรวมเป็นหนึ่งเรียกวเรกกตาจิตในที่นี้ เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีอะไรนั้นมันจะมาเรียกว่าใจอาการมากมายเรียกว่าจิตจิตจิตเป็นาการขอ ง, องใจสงสายไปมาสารพัดทุกหยดทุกอย่างที่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 ไม่มีอดีตนะครคตจะไม่มีนอกไงอยู่ในภไม่จฉาแต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันตังหากในหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังอภัตรั ง, รงจิตอภัสอนจิตกับใจเป็นเดียวกันนะอย่างพูดว่าอย่างท่านว่า น, นั่นนหะ อันนี้จตมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะให้รู้จักจิตนั้นคืออะไรใจนั้นคืออะไรมะโนปุพังขมาธรรมาธรรมทั้งหลายในใจจึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจ อันนี้พูดทั้งเรื่องใจจิตจตังคพัฒสร่างจิตเังนของพัฒสอนอาคารทุเกจิเรเจหิจิจเลศเป็นของจรมา น, นีท่านเรียกจิตโดยส่วนมากเรียกใจนั่นโดยจะ้ากมีน้อย อาจารย์ทั้งหลายท่านยังพูดว่ารวมความเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันท <c oughs> ่านทั้พูดเรื่องจิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วใจเป็นของกลางไม่มีจิตเป็นของกลางไม่มีมีได้ใจเป็นของกลาง ไม่ดีไม่ชัว่วไม่คิดอยากเกียดเดี๋ยวนี้นะแหละเฉยๆเดีนี้แหละให้ลองคิดดูความเฉยๆนะี่เป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองรูอันนี้ก็ได้เรากันใจสักพักหนึ่งกันลงให้ใจสักพักหนึ่งไม่คิดไม่หนึกแต่รู้สึกตัวว่า ม, มีเต็มไเต้ามีอะไรอันนั้ น, นตัวใจท ด, ท, ดทดลองด้วยกันลมหาจใจแต่ลักษณะเช่นนั้นจะอยู่ได้ไม่นานพอหายใจมันก็วิ่งไปตามอาการต่าง ถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตให้หนึ่งแนวอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอยู่ น, นานแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมมันเป็นเองของมัน อันนั้นถึงจะอยู่ด้นานเราตั้งใจให้มันเทิงใจคือกั้นลมหายใจนั่อยู่นิดเดียวเท่านั้นความสงบมีความรู้สึกอยู่แต่หากไม่ทำอะไรรู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่ บางครั้งบางคราวมันจะรวมเข้าไปหายเงียบเอานนั้นอย่างหนึง่งเข้าเป็นใจเหมือนกันแต่การหายเงียบไปนั้นใจนั่นแหละมันรวมเข้าไปแต่ว่ามันไปอีกแผนหนึ่งอีกมันอย่างที่รวมเข้าไป รู้สึกตัวอยู่อันนี้ดีกว่าเ <c oughs> มื่อหลวงเข้าไปแล้วนะอยู่สงบนิ่งแนว่วมีงความรู้สึกตัวกลักกบไปพอใจอีกแล้วไม่ยินดีพอใจกันนั่นอีกแล้วอยากจะให้รู้นู่นยนี่เห็นหนู่นเห็นนี่อะไรต่าง ไม่ทราบ่าเห็นไปอะไรไม่ทราบ่ารู้ไปอะไรคือรัวไม่คี้ขโมยแต่ก่อนน่นมันนิ่งอยู่ไม่ชอบใจอะขโมยโ น, น่นขโมยนี่มันยังค่อยชอบใจ <c oughs> นี่สายยังเป็นคีดขโมยไม่แต่เดิม มันจึงไม่ชอบเช่ น, นั้นเมื่อมันเข้าถึงความสงบแล้วมีความรู้สึกอยู่นั้นแห่งพิจารณาตรงนั้นน่ะกำหนดเข้าไปตรงนั้นนะ่ะคำที่ว่าไม่มีอะไรมันจะมีขึ้นมาคําว่า ม, มีอะไรมันจะเกิดมีขึ้นมาในที่นั้นน่ะ ชอบขนเรื่องภาวนาสมาธิไม่มีคันมองไปมันมีขึ้นมาคั้เมื่อมันมีขึ้นมาตั้งสติเข้มงวดเลยไม่มีขึ้ น, เ ล, นเลยไม่มีอะไรนั่นจะมีอะไรลองดูเลยมาคิดนึกสงสยัยว่ามีอะไรจะคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงซ่องถึงลูกถึงหลาน มันมีอะไรของกันตามไล่กันไปจริงๆยังไม่มีความสมมุติต่างหาอย่างลูกลูกกันหลานมันเกิดขึ้นมามันกระตามสภาพของมันแล้วมันได้บอกนะมันเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบโตขึ้นมามันเจนริญรุ่งเรือขึ้นมา มันน่นมันก็เป็นไปตามสภาพของมันใครเป็นคนนุ่งเหลืองคนใครเป็นค น, คนเดือคนเจริญสิ่งสภาพทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้ ม, ม, ม, มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์สัตตัวตนทุกคนเกิดขึ้นมาแมัเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งก็ดับไปแล้วก็สลายดั บ, ดบไปอย่างไอยู่เท่านั้น มันไม่มีตัวมีตนไม่มีสิ่งที่ควรยึดแต่เราไังไปยึดเอาจนได้ข้างมีสาระไปยึดเอาตังหาไม่จริงว่าไป พิจนาของมันมีนะั่นเลยกลับไม่มีขันว่าไม่มีเถอะความว่างความเฉยๆฉยเข้าไปดูมันจะเห็นของไม่เฉยของไม่ว่างไม่จะมีแน่เนียอันนี้มันเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจนา ฉันลับให้เกิดสัญญาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเะม่อนกเพราะนั้นทุกๆคนเกิดขึ้นมาแล้วเป็นขี้ขโมยเต็มตัวทุกคนจงระงับขี้ขโมยเสียเจ็นคนผู้ดิบผุดีเป็นอยู่ปกติเสีย เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะได้เชื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมบูรณ์ในพุทธศาสนาอธิบายเรื่องอัจฉริยจุดศูนย์กลางชค่ก่อน เอากลางตรงไหนตั้งตรงนั้นนะ่ะตรงกลางเละทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลางลงสะกกลงยังคอยวัดรอบอไปมันจังรู้จักว่ากลงหรือไม่โกงส่วนจิตของเราไปเช่นนั้นเหมือนกัน ไว้ตรงกลางๆางอาการที่มันออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่กลางแล้วมันทรงสายไปไมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูกนะนั้นคือวให้จับตรงกลางไปก่อนพอจับตรงกลางได้แล้วนั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกเ ข, ขาขนะ ไม่ต้องไปเห็นไปวาดไปไปวาดอาการ้องไปหลงวงล้อผมไม่ต้องไปวาดหรอกตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรงไหนที่เรารู้สึกอยู่บางที่มันทรงสายไปนั้นไม่ใช่ให้ตั้งใจตัวต่างๆนะว่าปึนหลัก อะไรทั้งหมดนั่นะมันจะคิดส่งสายไปหาการงานเนี่ยหาธุระมานส่องเรือนช้านลูกหลานพี่น้องอะไรทัง้งสวงหมดมันไม่ใช่กางนนั้นมันสบายด้แหละมันมันส่งไันไม่สบายคือมันออกไปแล้วความสุขสงอยู่ตรงกลางนั้นทนั้น กลางนี่ไม่ต้องอยู่ไหนแตอเอาศึกอย่างอย่าความโลภความโกรธความหลงมานี้อันนั้นเป็นทรงความเกลียดความชังนั้นเป็นทรงควมามรักเป็นข้างหนึ่งความชังมปนข้างหนึ่งตรงกลารไม่รักไม่ชังนั่นแหะตรงตรงไม่รักไม่ชังนั่นนะตรงงกลางไม่ทราบว่ายูนตรงไหนละ <c oughs> ดีได้ชั่วดีเป็นข้างหนึ่งชั่วเป็นข้างหนึ่งไม่ดีไม่ชั่วตรงกลางกลางเะฉนั้นของเราอยู่เป็นที่อยู่ของเราหยาบละเอียดก็เหมือนกันหยาบไป็ข้างหนึ่งละเอียดเป็นข้างหนึ่งนั้นของไม่หยาบไม่ละเอียดนั่นอยู่ตรงกลางนั่นเพะนั้นเป็นที่อยู่ของเรา หาที่อยู่ได้อย่างนี้แล้วจะได้รับความสุขแค่ไม่เดือดร้อนเก่ตัวของนราอธิบายให้ฟังมามากๆล้ ว, ลวนะนั้นคันทาเลยเอาตรงกลางแล้วก็ทำาตรงกลางนั่นนหะ